อยู่มาวันหนึ่งจนชวนจะออกเดินทางมีหญิงคนหนึ่งชื่อนางสมน์ล้านสาวนางเอกที่อยู่กรุงเทพเคยเบิดเป็นชีศึกออกไปมีสา ม, มีอยู่ที่ราชบุรีอายุประมาณ40ปีสา ม, มีเป็นอดีตผูพ้พิพากษามีบุตรชายหนึ่งคนอายุ15ปีคนคนนี้นับถือเรามากไปคราวไหนก็ไปหาทุกทีวันนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็น นางสมอนได้นำดอกไม้ทูปเทียนไปถวายจึงได้พูดถามขึ้นคำหนึ่งว่าแม่สมอนต้องการอะไรเขาตอบว่าจะมาขอลูกจากหลวงพ่อเจ้าของเองได้ยินแล้วรู้สึกใจไม่ค่อยดีเพราะมีคนน้อยและแกก็พูดเบาๆเสียด้วยเลยพูดออกมาว่าอย่าพึ่งพูดกันเพราะนึกไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าถ้าเกิดมีความจริงขึ้นเราก็แย่ฉนั้นเรื่องนี้ จึงของ เ, ขเปิดเผยความจริงให้ทราบเท่ากันว่าเป็นอย่างไรถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษได้มีญาติโยมมาประชุมกันบนสาราประมาณหนึ่งรคนเศษแม่สมนมานั่งอยู่ใกล้ๆข้างธรรมาฏพอให้ศีลแสดงธรรมะอบรมจิตใจเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบา ร, รมีเสร็จแล้วแม่สมนก็พูดขึ้นดังๆว่าอะไรๆฉันไม่อยากได้ทางนั้นฉันอยากได้แต่ลูกจะขอลูกจากหลวงพ่อ เราจึงพูดกับแกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อจะให้ที่ตับอย่างนี้พรเคยทราบเรื่องในพระสูตรอยู่บ้างจึงได้พูดเป็นทีเล่นๆว่าขอให้ตั้งใจทำจิตให้ดีในวันนี้ฉันจะอธิษฐานอาราธนาให้เธวดาเอาลูกมาให้เมื่อแกนั่งสมาธิเลิกแล้วแกก็บอกว่ารู้สึกสบายใจดีใจเคยนั่งมาลายหนไม่เหมือนวันนี้จึงบอกว่านั่นจะสาเร็จละพอวันนุ่งขึ้น ได้เอาอเดินทางจากจังหวัดราชบุรีโดยทางรถไฟไปจังหวัดประจวบกิริกันคุณทัศนวิภาคเป็นสิทธิติด ต, ตามไปได้ไปพักดิลิภาช้าข้างสถานีพานบุรีหนึ่งคืนตื่นเช้าให้คุณทัศนไปติดต่อซื้อตัวรถไฟคุณทัศนมีเงินอยู่120บาทสมัยลงังทงคามใช้ธนบัตรที่พิมพ์จากอเมริกาใบาละหนึ่งบาทและใบละ20บาทเหมือนกัน ได้ตัวมาแล้วใบละหนึ่งบาทหายไปเพราะเข้าใจว่าใบาละหนึ่งบาทเป็นใบละ20บาทจึงได้ส่งให้คนขายตัวไปคุณทัศจะกลับไปที่สถานีอีกเพื่อทวงคืนแต่ได้พูดหามว่าเราโง่อย่าไปไอ้ายเขาคุณทัศมีความเสียใจคิดอยากจะกลับบ้านจึงได้พูดปลอบใจไว้ป่าช้าที่พักนี้อยู่บนเนินสงูงเป็นป่าเขาดินขา ว, ว่าที่นั่นคนอยู่ไม่ได้ผีดุ ได้พักอยู่หนึ่งคืนก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดต่อจากนั้นได้เอาเดินทางโดยรถไฟจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปพักอยู่ที่เนินดินเขาสงข้างสถานีสุราษฎร์ธานีตกเวลาค่ำได้มีคนมาสนทนาด้วยได้พบคนสำคัญสองคนชื่อในพ่วงและในพาดคนทั้งสองได้เข้ามาหาและเปิดเผยความลับให้ฟังว่าบ้านผมอยู่จังหวัดนคปรปฐม แต่ก่อนเคยเป็นคนร้ายชั้นเสือเคยฆ่าคนตายหลายศพครั้งสุดท้ายได้ฆ่ายายแก่คนหนึ่งตายคาที่เพราะมีคนบอกว่ายายแก่คนนี้มีเงินสี่พันบาทอยู่ใต้หมอนจึงได้ลอบขึ้นไปฟันคอยายแก่ขนใต้หมอนได้เงินเพียง40บาทตั้งแต่วันนั้นมาก็ใจเสียคิดเลิกทําการจุลกรรมถึงขนั้นก็ยังรู้สึกเสียลูกปืนขอให้หลวงพ่อช่วยหาเครื่องป้องกันให้ด้วย จึงพูดว่าถ้ายอมเป็นได้จริงจะให้ของดีจะไม่ให้ตายด้วยลูกปืนแกก็ปฏิญาณสาบานว่าผมเลิกแน่จึงได้เขียนคาถาให้แกภาวนาประจำตัวพอวันรุ่งขึ้นแกมาหาอีกแล้วเล่าว่าวันนี้น้องชายกำลังต่อสู้กับตำรวจอยู่ที่อำเภอนอกเขตจังหวัดมีพักพวกเก้าคนที่ตำรวจจับตัวไว้ได้ก็มีแต่ขณะนี้ยังจับตัวน้องชายไม่ได้ เรื่องนี้เกรงจะเกี่ยวพันมาถึงตัวด้วยจะให้ทําอย่างไรดีจึงได้แนะนําว่าให้โยมรีบไปแจ้งความที่สถานีตารวจโดยด่วนแล้วให้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจออกติดตามแก่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกอย่างต่อมาวันหลังปรากฏว่าพวกพ้นได้ยอมจํานวนแกตารวจทั้งหมดนายพว่วงเป็นผู้ประกันตัวน้องชายออกมาได้ในที่สุดเมื่อคดีถึงศาลพวกพ้นรับสารภาพหมดทุกคนสารตัดสินให้จําคุก แต่เรารับสารภาพจึงลดโทษให้ครึ่งหนึ่งการที่มาพักอยู่ที่นี่ไม่สู้สบายใจนักเรามักจะมีคนไม่ดีมาติดต่ออยู่เสมอที่ทำไปล้วนแต่เป็นเรื่องดีถึงะ น, นั้นก็ยังหวาดว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าเราช่วยโจรจึงรีบเดินทางต่อไปยังอำเภอทุ่งสงและไปในมรส ก, การพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนี้ขุนทัตได้ขอลากลับกรุงเทพเขาได้ซื้อตัวรถไฟให้แล้วส่งขึ้นรถไฟให้เดินทางไปคนเดียวตอนเย็นได้เดินทางไปถึงองค์พระจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พักอยู่ในวัดพระมหาธาตุมีผู้คนเรื่อมายในการปฏิบัติพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันและอยู่ที่วัดนี้ก็สนใจจึงได้อยู่อบรมญาติโยมพระเนนพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลา เมื่อถึงอำเภอหัดใหญ่ได้พักอยู่ที่ป่าช้า ป, ปักริมซึ่งเป็นที่รกครงรังและเงียบสงัดพักอยู่ไม่กี่วันพระมหาแก้วเพื่อนของเราได้มาติดตามพบกันตรงนั้นได้พักอยู่ผสมควรและก็ได้ออกเดินทางวิเวกไปตามตำบลต่างๆในปีนี้ได้อยู่จำสาทิวัดขรนมีดได้ทำการอบรมพรเนนญาติโยมทางจิตใจแทบทุกคืนมีการแสดงธรรมะเกือบทุกคืน เมื่อทอกระสินเสร็จออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับมาพักที่เขาควนจงซึ่งเป็นหมู่บ้านเด็กๆแห่งหนึ่งอยู่ใกล้คลองเรียนอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นญาติโยมลังไหลกันม า, มามากมายเป็นเวลาหลายวันจึงได้สอบถามดูได้ความว่าเขาจะมาดูงูใหญ่รัดผู้หญิงที่เขาควนจงเขาเลือกันว่ามีงูใหญ่งอนแดงรัดผู้หญิงไว้บนยอดเขาไม่ถึงเวลาไม่ยอมปล่อย เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวแปลกประหลาดอย่างนี้จึงพากันแตกตื่นมาดูลูพกพานอยู่ในบริเวณใกล้ที่เราพักอยู่แต่ในหมู่บ้านที่เราไปพักอยู่ไม่ปรากฏว่ามีใครได้ยินข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่ากบขันอย่างยิ่งพักอยู่ที่นี่พอสมควรแล้วได้เอาเดินทางไปพักบ้านทุ่งโพตลาดคลองแงะและอำเภอเสดวเวลานั้นผู้บังคับกองสถานีตำรวจอำเภอเสดา ถูกโจนจีนยิงตายเนื่องในการต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ขณะที่ไปพักอยู่นั้นตอนกลางวันมีคนมาหามากแต่พอค่ำลงก็รีบพา ก, กันกลับเขาบอกว่ากลัวพวกคอมมิวนิสต์มาป้นจึงได้พูดว่าขอให้โยมพา ก, กันมาฟังเทศเถิดรับรองว่าคืนนี้ไม่มีพอต่อค่ำเวลาประมาณสองทุ่มมีคนมาเต็มโบสถ์จึงได้เทศอบรมญาติโยม วันหลังก็กลับไปป่าช้าประกิมอําเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่เคยพักมาก่อนเมื่อกลับมาพักรั้งนี้ชางอืาเภอหัดใหญ่พากันมาอบรมศิลธรรมจิตใจและฟังเทศทุกคืนต่อจากนี้ได้เดินทางลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติที่อมเผอร่รอนวิบูลแล้วเดินทางต่อไปพักที่อมเพอรทุ่งสงนายสังเวชสมียนแผนกศึกษาธิการ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 เพราะสมเด็จวัดบรมต้องการพบระหว่างที่พักอยู่ที่วัดประชุมนารีได้มีพระองค์หนึ่งถูกจับมาพักอยู่ที่เขาแก่นจันมีหญิงนุ่งขาวสี่ห้าคนทราบว่ามาจากบ้านโปง่งเขาอยากมาพบเราแต่ไม่กล้าขึ้นมาหาเพราะพระกำลังมีคดีไม่ใช่เรื่องของตัวแต่หน้าเราคือเขาเล่าว่าพระองค์นั้นบอกว่านั่งเทศมากภาวนา ม, มากเมื่อยขา ขอให้ฉีนวดให้ฉีก็นวดให้จริงๆเลยเกิดเหตุซืบสวนดูแล้วเป็นพระไม่มีปสุทุิทราบว่าทางการได้จับศึกไประหว่างที่พักอยู่ที่ลาดบรุรีแม่สมนได้ออกมาหาและบอกว่าฉันตั้งคันได้สองเดือนขวาแล้วหลวงพ่อเขาพูดต่อไปว่าขอถวายลูกแก่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้เพราะเป็นลูกหลวงพ่อไม่ใช่ลูกคุหลวงสังเกตว่าเขาพูดจริงจริงยัง แต่เราเฉยแต่แปลกใจว่าไม่เคยมีบุตรมาถึง15ปีแล้วทำไมเป็นได้อย่างนั้นต่อจากนั้นได้เดินทางกลับเข้าพนคอนพักที่วัดบ ร, รมนิวาสพอดีสมเด็จอาพาธจึงได้พยาบาลท่านพอสมควรระหว่างพักอยู่ที่วัดบ ร, รมนิวาสนี้ได้มีผู้มาฝึกสมาธิกันมากมีพวกธน บ, บรุรีพนคอนและลบบรุรีวันหนึ่งปรากฏเหตุการณ์แปลก มีหญิงคนหนึ่งชื่อแม่ขอมคนรบบรุรีได้นำอัมพตาามัถวาสามองค์จึงได้ถามกขาว่าเอามาจากไหนได้รับตอบว่าได้อาถนาขอจากพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนหัวนอนของท่านพ่อ น, นั่นเองพระพุทธรูปองนี้เป็นพระได้มาจากเชียงตรงน่าจะมาสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพระของนายอุดมมีเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างเกี่ยวกับพระพุทธรูปองนี้ ตามที่นายอุดมได้รล่าให้ฟังตอนนี้จะขอย้อนกล่าวถึงประวัติพระพุทธรูป อ, องค์นี้แต่เดิมมาในอุดมเป็นคนไม่เชื่อพระเป็นข้าราชก า, ารทำงานแผนกสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ติดตามกองทัพไทยไปเมืองเชียงตุงมีพลโทรประพันธ์เป็นแม่ทัพวันหนึ่งนายอุดมได้ไปพักที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งกับพวกพลทหาร เวลาค่าได้เอนหลังลงนอนยังไม่ทันหลับก็ได้เห็นแสงสว่างพุ่งจากหัวนอนนายอุดมจึงได้รีบลุกขึ้นตรวจดู ว, ว่ามีอะไรธรรมดาวิสัยของนายอุดมขณะนั้นถึงแม้จะได้อยู่ใกล้พระก็ไม่เคยกราบไหว้วันนั้นเกิดแปลกประหลาดขึ้นในใจจึงยืดคอดูบนแท่นพระได้เห็นพระพุทธรูปสัมฤทธสีดาองค์หนึ่งสูงหนึ่งคืบเศษหนานตักวกว้างประมาณสามนิ้วเศษ ดำใสเป็นเงาเมื่อมีคนขัดทุกวันเมื่อเห็นเชนั้นก็รีบช่วยพระรูปองนั้นใส่กระเป๋าตั้งแต่ในอุดมได้พระองค์นี้ไว้ฐานะพรน์เป็นอยู่ดีขึ้นมากมีคนนิยมช่วยเหลื อ, อจักจะเป็นผู้มีเงินใช้จ่ายพุ่มเฟยคือได้เงินจากชาวบ้านในถิ่นั้นนนัเองต่อมาเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองได้สงบลงในอุดมได้เดินทางกลับได้มาพักอยู่ริมฝั่งแม่จันในคืนวันนั้น พระโพธิรูป อ, องนี้ได้เข้าฝันบอกกับนายอุดมว่าไอ้ดมมึงจะเอากูข้ามไปกูไม่ไปกับมึงนายอุดมก็ไม่สนใจคิดว่าพระโลหะจะมีอำนาจอะไรในที่สุดได้นำพระโพธรูปอกอนั้นกลับไปจังหวัดจันทบุรีตัวเองได้ลาออกจากราชการไปทำการค้าขายในระหว่างนี้ดูหน้าตานอุดมดำลงผอมลงฐานะก็ฝืดเคืองลงทุกที อยู่มาวันหนึ่งลูกเมียเกิดเจ็บป่วยไปตามๆกันรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงพ่อได้มาเข้าฝันอีกว่ากูไม่ยินดีอยู่กับมึงมึงต้องเอากูไปส่งที่เก่าของกูพอดีปีนั้นเรากำลังออกทุดงปจังหวัดปราจินบุรีพักอยู่ที่เขาจกันประมาณเดือนเมษายนได้ออกเดินทางข้ามดงทะลุถึงจังหวัดจันทบุรีนายอดมทราบข่าววิ่งไปหาพูดว่าผมแย่หลวงพ่อ ลูกเจ็บเมียเจ็บยากจนพระพุทธรูปเข้าฝันว่าให้นำกลับไปส่งที่เดิมจะให้ผมทำอย่างไรดีจึงตอบว่าหลวงพ่อท่านอยู่ป่าชอบวิเวกเอามาไว้กับเราก็ได้นายอุดมจึงนำพระพุทธรูป อ, อกนั้นมาให้ไว้แต่จะฝากหรือถวายไม่ทราบชัดก็ได้เก็บไว้บูชาตามธรรมดานับตั้งแต่บัดนั้นมาอาการป่วยของลูกเมียอุดมก็หายหมดนายอุดม ถึได้เดินทางมาอยู่จังหวัดพระนครตั้งแต่ปีพศ2785เรื่องราวเกี่ยวแก่พระพุทธรูปองค์นี้ยังมีแปลกประหลาดอีกหลายอย่างแต่ขอเล่าย่อยๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนต่อมานึกสงสัยตั้งเลในเรื่องพระบรมธาตุว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เคยสนใจเลยตั้งแต่บทแต่ก็ได้รับไวจากแม่ขอมและเก็บไว้บูชาการต่อมาได้ทราบว่าแม่ขม ได้พระบรมธาตุอีกแต่พระพุทธรูป อ, องนี้เวลานั้นได้นํามาฝากไว้ที่วัดบรมนิวาสตึกรามาแขส่วนเราได้กราราสมเด็จเดินทางไปจังหวัดลบบุรีปีนั้นได้ทํางานวิสาขบาูชาที่วัดมณีโชลคันในวันพระราตุรีกลางเดือน6ในวันนั้นได้คิดขึ้นในใจว่าพระบรมธาตุนี้ทําไม่ได้เห็นกับตาไม่ยอมเชื่อเพราะจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่ทราบ จึงได้ตั้งสัตยาธิฐานนั่งสมาธิตลอดสว่างและได้จัดตั้งผ่านไว้สี่พานโดยทำการอรันธนาดังนี้ 1. ขออัญเชิญพระบรมาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีาธาตุหูตาจมกูกปากอันเป็นบอกเกิดของรัศมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความจริงขออัญออเชิญมาในสถานที่บูชาในคืนนี้ 2. ขออัญเชิญพระาธาตุของพระสารีบุตร ซึ่งเป็นพระสําคัญองค์หนึ่ง 3. ขออัญเชิญพระธาตุของพระโมกัลาซึ่งเป็นผู้มีดิศเสมอพระพุทธองค์ 4. ขออัญเชิญพระธาตุของพระชิมพีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาจะไปไหนปลอดภัยทุกเมือ่อพระธาตุทั้งหลายเหล่านี้ขอจงมาปรากฏถ้ามีความจริงถ้าไม่เห็นปรากฏในคืนนี้พระธาตุที่เขาถวายมาก็จะแจกจ่ายให้คนอื่นไปให้หมด นั่นคือวัอนนั้นได้นั่งอดนอนอยู่ตลอดรุ้งเวลาประมาณสีนาฬิกาได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจมีแสงสว่างแดงๆ ด, ด้วูบวาบตรงไปที่ตั้งพานบูชาพอดีรุ่งสว่างก็ได้ปรากฏพระาธาตุต่างๆมีอยู่ทุกพัชนะสถานที่นั้นนับตั้งแต่เวลา ย, ย่ำค่ำจนกระทั่งสว่างได้ใส่กุญแจมินจิตไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เลยตัวเราเองก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่นั้น ฉะนั้นจึงเป็นของแปลกใจขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ีดบเก็บพระาธาตุเหล่านั้นห่อใส่สำลีใส่พระอบติดตัวไว้นับได้จำนวนดังนี้คือพระสารีบุตรสมองค์พระจิมพีสมองค์พระโมคคัลนะสององค์พระบรมาธาตุองค์เป็นสีแก้ผกสีดำสีดำเจอเหลืองแก่แต่ที่มาขอมเคยเอามโฝากไว้เป็นสีมุกดาหาร จึงได้ถือติดตัวไปภาคเหนือด้วยระยะหลังจากนี้ได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอสงวนไปก่อนยังไม่ขอเปิดเผยเวลาจนคมันสาได้ออกเดินทางไปพักที่อำเภอแม่ริมตั้งใจจะเดินทางเข้าป่าลึกและได้ออกเดินทางจากอำเภอแม่ริมถึงบ้านป่าตึงใช้เวลาหนึ่งวันต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าดงลึกไม่มีบ้านคนเลยขึ้นเขาลงห้วยเข้าไปในดงใหญ่ ไปถึงที่นั่นบ่ายเราไม่เกินสี่โมงเย็นสถานที่นี้มีลูกศิษย์เกลื่อนไปจำพรรษาปีนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นหมู่บ้านยางและกะเหลี่ยงมีประมาณ6กเจดังคาเรือนไม่มีที่ราบมีแต่ภูเขาทั้งนั้นที่พักเป็นชานเขาเล็กๆห่างบ้านประมาณ20สบเส้นมีทางน้ําไหลอากาศหนาวจัดทั้งกลางวันและกลางคืนได้เดินทางไปถึงเป็นวันสิบสีค่าเดือน8 พอถึงวันอธิฐานข้าบันศาก็มีอาการเริ่มป่วยเป็นไข้ในสถานที่นี้กันดานที่สุดชาวบ้านเป็นคนป่าคนดงอาหารเป็นพื้นในปัญสานี้มีเกลือพริกและข้าวเท่านั้นเนื้อและของข่าวไม่มีใครนิยมกินในระหว่างจาพรรษาเดือน8ดข้างแรมมีอาการป่วยหนักบางวันเกือบหมดความรู้สึกตัววันหนึ่งตอนเช้ามืดลุกขึ้นจะไปบินตาบเข้าไปไม่รอด มีอาการเป็นลมเวียนศีรษะหนาวจัดตัวสั่นกระทบไหวอยู่คนเดียวโรกศิษิ์ที่อยู่ด้วยก็ไปบินทบาทหมดพอรู้สึกอย่างนี้จึงได้ไปย่างไฟรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นได้ทรมานอยู่อย่างนี้เรื่อยมาข้าก็ฉันไม่ได้ในปัณสานี้สามเดือนฉันจังหันนับไว้วันหนึ่งไม่เกินสิบคำบางวันไม่ฉันเลยแต่รู้สึกกายเบาใจเบาจิตตีไม่หวั่นต่อการเจ็บ อาการเจ็บปวยก็เริ่มหนักเข้ามาระหว่างเดินข้าวขึ้นเจ็ดคำมีอาการไข้หนักมืนชาไปทั้งตัวเป็นลมเกิดสงสัยในชีวิตของตนจึงได้ลุกขึ้นเอาผ้าอังสากัดขา ด, ขาดห่อพระบรมธาตุในพระอบและววางไว้บนที่สูงตั้งอธิษฐานว่าถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ปรากฏถ้าชีวิตจะตายขอให้หายสูญไปให้หมดแล้วก็เข้าที่นอนสงบจิต พอลุงสว่างก็ได้เห็นพระอบพระาตกับอังศะกระจายกระจายไปคนละทิศอัทางแต่ไม่ปรากฏว่าพระบรมธาตุสูญหายยังคงตกเรี่ยราดอยู่ในที่บูชาก็นึกว่าคงไม่ตายในปีนี้คงมีอาการเจ็บต่อไปอยู่มาวันหนึ่งมานึกถึงอารมณ์เก่าๆที่ได้ผ่านมารู้สึกว่ามันเบื่อนายจึงตั้งใจว่าเราอยากได้สมบัติดีๆไปใช้สอยข้างหน้าทําให้สาเร็จ ไม่อยากออกจากป่า 1. ขอให้สำเร็จในทางอิทธิฤทธิ์ถ้าไม่เป็นไปขอให้ถึงที่สุดภายในเจ็วันแม้ชีวิตจะสิ้นภายในเจ็ 1, วันก็ขอถวาย 2. ส, สถานที่ใดเป็นที่ส ง, งดพักผ่อนได้อย่างดีขอให้เจ้าป่าพีดงมาชักจูงให้ไปอยู่ที่นั้นให้จงได้เมื่อได้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ได้นั่งสมาธิรากนิมิตมีแสงสว่าง เป็นถ้ำทะลุเขาขาดนึกในใจว่าถ้าเราไปในช่องนี้คงทะลุพอนึกว่าเราจะไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดลมจัดตัวไหวถึงต้องเอามือคว้าสะกะตอบก็เลยหยุดอยู่แค่นี้ต่อจากนั้นการป่วยก็ทวเราเริ่มดับในเวลากลางวันได้พาสิทธิ์คนหนึ่งไปหาฟืนก่อเตาเพื่อเผาถ่านเพื่อจะได้อบอุ่นในเวลากลางคืนว่าหลังเด็กพูดว่า คนป่วยพากันไปหาฟืนนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีคนโบราณถือว่าหาฟืนมาเพื่อเผาตัวเองเด็กคนนั้นชื่อเตง๋งเป็นคนบ้าบ้าบาบาเราฟังแล้วก็ไม่จิตใจหรือสนใจเด็กชายเต็งพูดว่าผมลำบากทุกวันมีแต่ผีมาดึงแข้งดึงขาไม่ให้นอนเราก็ไม่สนใจอยู่มาวันหนึ่งเวลาดึกสงัดอาการป่วยก็หนักได้กอ่อไฟถ่านไว้รอบรอบตัว พอรับเคิมไปครู่หนึ่งมีหญิงคนหนึ่งแต่งกายสีขาวมีเด็กสองคนเป็นหญิงถือธงขาวเขียนหนังสือเป็นแถวยาวเป็นภาษาจีนได้เดินเข้ามาใกล้และพูดว่าฉันเป็นราชนีแห่งเทพท่านมาอยู่ที่นี่จะให้ท่านไหว้เราไม่ยอมไหว้เพราะเราถือว่าเราเป็นพระเขาก็ให้ไหว้พูดกันหลายคําเราก็ไม่ยอมไหว้เขาก็ลงไปจากกระตอบเดินขึ้นเขาหายไป นี่คือวันนั้นทําจิตภาวนาสบายดีตลอดอยู่มาอีกวันหนึ่งเดือนสิบแลมสิบสองคำ่ำเวลากลางวันตอนเช้ามืดเกิดลมกลําเริบหน้ามืดวินาศไม่สามารถลงไปใต้ทุนได้ข้าวก็ไม่ฉันพอตกสายบ่ายราวหนึ่งโมงลุกนั่งตรงหน้าต่างกระตอบที่โปรกอยู่เชิงเขาตรงหน้าต่างเป็นห้วยมีน้ำไหลใต้ทุนรอบๆกระสอบเตียนสะอาด เพราะปัดกวาดทุกวันในวันนั้นปรากฏการเกิดขึ้นหลายอย่าง 1. รู้สึกเหม็นของสอกโทกซึ่งไม่เคยเหม็นมาแต่ก่อน 2. มีมแมลงวันเขียวตัวใหญ่บินมาเกาะตรงหน้ามีกลิ่นเหม็นจึงนึกว่าเราจะต้องตายกระมังนั่งสมาธิู่กระทั่งมแมลงวันบินหนีกินเหม็นก็สูญไปตอนนี้ชักสงสัยในชีวิตจึงอธิษฐานในจิตว่าถ้าจะตายจริง ขอให้ปรากฏการโดยชัดแจ้งถ้าวาสนาบารมียังทำประโยชน์ได้ขอให้ปรากฏเหตุการ์เพราะอธิษฐานแล้วนั่งสัมรวมจิตหันไปทางตะวันตกตรงช่องหน้าต่างครู่หนึ่งมีนกขาวบินมาสองตัวตัวผู้บินมาทางใต้เสียงดังวดัดลงยืนตรงหน้าต่างอีกสักครู่หนึ่งมีตัวเมียบินมาทางเหนือและกระพือปีกคันโคสายกันแสดงท่าเบิกบานห้าหาน อีกครู่หนึ่งหมอกเมฆที่เคยปกคลุมไว้ได้สว่างมีแดดจ้านับตั้งแต่วันอยู่จำปัรษา ม, มาวันหนึ่งจะเห็นแสงแดดได้ไม่เกิน30นาทีตลอดเวลาสามเดินมืดมีหมอกปิดปังจยู่ป น, นิดแต่วันนั้นแสงแดดส่องแสงสว่างสวยัยนกร้องสนั่นวันไหวใจก็เบิกบานเลยนึกว่าเราไม่ตายต่อมาเวลากลางคืนวันหนึ่งจนจะออกพัรษา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 ขอให้ท่านขึ้นนั่งบนรัมมาธท่านปรารถนาอย่างไรจะสาเร็จแต่ไม่มีคนเราเนึกว่าเรื่องหอกลวงไม่เกี่ยวแล้วภาพนั้นก็สูญหายไปต่อมากใกล้เวลาจะออกพรรษาเต็มทีได้ไปหัดเดินตามเชิงเขารู้สึกว่าเหนื่อยเป็นลมหูอื้อหน้ามืดถ้าเป็นอย่างนี้ออกบรรษาแล้วก็ยังออกจากเขาไม่ได้ตั้งใจอธิษฐานว่า ถ้ายังจะมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกต่อไปขอให้ออกจากเขาได้ถ้าจะหมดการเกี่ยวข้องจะได้เขียนหทั้งสือลาอยู่มาเดิน11แลมหนึ่งคำออกบรรษารู้สึกว่าอาการโปวยหายเ ห, หลือไม่ถึงย0ปอร์เซน์ลุงขึ้นแลมสองค่ำเดินอโยมชาวบ้านป่าได้จัดหาบข้าวของมาส่งพร้อมเด้ร้องไห้อย่างน่าสงสารยิ่งในสถานที่นหนีหนาวจัดแม้จะเกือในกระบอก ถ้าปิดไม่แน่นก็ละลายเป็นน้ำหมดอาหารที่ฉันในภาษานี้เป็นอาหารชาวป่าคื้นหน่อไม้ใบบอนรากบอนต้มเห็ดเล็ดกวนให้เลลหเลวเอาเกลือใส่ข้าวใส่พริกกิหนุตำใส่ทั้งก้านทั้งใบเอาลงกวนในหม้อกแกงกินอย่างนี้ตามภาษาพื้นบ้านของเขาตั้งแต่บทมานชีวิตเรื่องอาหารภาษานี้เป็นยอดความกระดานพริกก็แปก เวลาคืนลงเผ็ดถึงลาไส้แต่ดูร่างกายของชาวบ้านอ้วนใหญ่โตคนป่านึกว่าจะดําปีกลายเป็นคนขาวอ้วนมีวัฒนธรรมดีน่าเรื่อมใสคือไม่มีการทะเลาะไม่เอะอะเสียงดังในหมู่บ้านไม่ยอมใช้ของนตลาดโดยมากใช้ของที่ทำขึ้นเองทำได้เป็นอาชีพเพราะไม่มีพื้นที่แผ่นดินราบออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับแม่ลิม อาการป่วยก็มีหัวใจเต้นผิดธรรมดาได้มาพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่โยมผู้มีอุปการะส่งข้าวของจากเชียงใหม่ไปถวายในป่านานๆครั้งหนึ่งคนที่สนใจเป็นห่วงมากที่สุดคือคุณนายชูศรีแม่แก้วรุนเมื่อกลับมาถึงเชียงใหม่เขาได้หายาหอมยาลมไปถวายได้พักอยู่ที่วัดสนติธรรมพอสมควรแล้วได้เดินทางมาพักจังหวัดลำปางไปพักอยู่ที่ถ้ำพรสบาย มีลูกศิษย์จำภาษาที่นั่นเมื่อมองพักตอนนี้มีอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นว่าต่อไปข้างหน้านี้เราต้องไปกรุงเทพสมเด็จอาพาธหนักเราจำเป็นต้องอยู่ใจหนึ่งก็ไม่อยากกลับอยู่มาคืนหนึ่งได้อธิษฐานว่าจะกลับไปกรุงเทพหรือจะไปไหนนั่งสมาธิจวนสว่างราตีสี่รู้สึกตัวว่าสิษะขาดแต่ใจสว่างสวัยไม่กลัว ต่อจากนั้นอาการป่วยหายเกือบหมดได้เอาเดินทางกลับกรุงเทพพักที่วัดบารมีว า, ขาดขณะนั้นสมเด็จอาพาธมากจึงสั่งว่าท่านต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายนีไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าปฏิบัติก็ตามขอให้รู้ว่าอยู่กับเราในที่สุดเรารับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติบางคราวนึกว่าเรามีกรรมอะไร จึงต้องถูกกักขังอย่างนี้ก็รู้สึกถึงกรรมเก่าที่ผ่านมาคือขังนกเขาที่ได้เคยเคิมฝันไปในคราวอยู่จังหวัดจันทบุรีเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องอยู่เมื่อตั้งใจจะอยู่เ่นั่นแล้วสมเด็จขอให้ขึ้นไปฝึกนั่งสมาธิให้ท่านทุกวันได้แนะให้ท่านปฏิบัติทางอนาปาได้สนธนาการหลายเรื่องในขณะที่นั่งอยู่อยู่มาวันหนึ่งท่านบอกว่า การนั่งสมาธิเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีประโยชน์อย่างนี้แต่เรามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าการทำจิตให้เข้าสู่ผวังเป็นสมาธินี้มิใช่ตัวพบตัวชาติหรือเราได้กราบเปลี่ยนถวายว่าสมาธิคือตัวพบตัวชาตินั่นเองท่านจึงถามขึ้นอีกว่าธรรมะที่สอนให้ปฏิบัตินั้นก็เพื่อทาลายภพชาติแต่ทาไมเรากลับมาเป็นผู้สร้างภพชาติ จึงได้ตอบท่านว่าถ้าไม่ทำจิตให้เป็นภพเสก่อนก็จะไม่มีวิชาเพราะวิชาเกิดขึ้นจากภพจึงจะทำลายภพได้นี่คือภพน้อยที่เรียกว่าอุปติกะภพกาเนิดขึ้นในชั่วขณะจิตส่วนชาก็เช่นเดียวกันการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นในดวงจิตในชั่วขณะยา ว, ยาวอันนี้เรียกว่าชาิเช่นเรานั่งสมาธิสงบไปนานจนเป็นฌาน